กดวันสวัสดีค่ะท่านฟัง FM 106 ครอบครัวข่าวข่าวซึ่งเป็นสถานีวิทยุ ดิฉันคิดว่าเรากําลังทําหน้าที่ช่วยพัฒนาอีกทาง ที่จะได้ผลดีในทางที่มิยั่งยืนที่พระอาจารย์ ในทางโลกเนี่ยเราจะเห็นคนที่เค้ามีนี่นี่นั่นกันไปหมดเอ่อการพัฒนาจิตใจนะคะ ภาษาบาลีที่ที่เราใช้คือการภาวนานะภาวนาอย่างเช่นเรานั่งสมาธิภาวนานั่นคือคําเดียวกันเลยนะๆเป็นเครื่องมือ <c oughs> แต่เพราะว่าอะไรเพราะว่ากายของเราหรือว่าสิ่งที่เกิดจากภาย ก็เรียกมีการคอร์รัปต์นั่นคือปิดศีลบ้างโกงบ้างกินบ้างองค์ ทีนี้พอๆไปนะจริยธรรมอืมคุณธรรมจริยธรรมเนี่ยค่ะเป็นคําที่พูด คำสั่งพฤชานั่นเองน่ะเขาจะพูดถึงเรื่องศีลเรื่องเมตตาเรื่องพรหมวิหาร 4 อะไรที่เป็นคําสอน แล้วเดี๋ยวศาสนาอื่นเค้าก็จะมีปัญหาว่าเอ๊ะงั้นไม่ค่ะก็เท่ากับว่า คำตอบที่เอ่อหมายความว่าการพัฒนาต้องพัฒนา ที่คิดแบบเห็นกับตัวฉันจะได้อะไรแบบเห็นแก่ตัวฉันจะได้อะไรอืมความความทุกข์ของเรา นะถ้าสมมุติสิ่งนั้นเปลี่ยนแปลงไปเป็นในสิ่งที่เราไม่ชอบเราก็จะมี นะนี่ก็จะเป็นผลต่อๆไปนั่นแหละแต่ 2-3 ตัวอย่างในที่ คุณวานลงไปในดินหว่านลงไปในดินคุณรดน้ํามาเอ้าพรุ่งนี้ออกผลซิแหม่จะกินมันหวานๆซะหน่อยทําไมไม่ออก ก็ปรุงสมามาดองในน้ําหรือเอาปัสสาวะวัวนะสูตรที่เขา 1 หรือ 15 วันขึ้นไปเอามากินเนี่ยโหยรส มักอยู่ในนั้นเนี่ยมันเป็นคุณยาที่ดีมากนะแก้โรค <c oughs> เราเราบอกโกธิ์โกเป็นประจําเราพูดตลกโปก 5 เป็นประจํานะพูดเปอร์เช่เป็นประจําอ่าตอนนี้ไม่พูดเปอร์เช่โอ้เซ็งว่ะชีวิตๆสุขเป็น นะถ้าใครเคยกินเอ่อเค้าเรียกว่าฟ้าทลายโจรนะหรือๆได้แต่ว่ามันขมด้วยค่ะเอ่อนอกจากนี้ใช่มั้ยแล้วคือ นะพูดถึงเหตุเกิดพูดถึงผล นะ, นะ, นะ, นะ, 8 นะถ้าจะเช่นมรณสติ นะหรือว่าคุณจะมีสติระลึกถึงพุทธเจ้าก็ได้นะได้ แต่ตอนนี้คือการฝึกแบบอ่าเค้าเรียกทั่วๆไปนะแต่มาเช่นตอนเราอ่ะนั่งสมาธิให้เป็น 10 นาทีถ้า 10 นาทีเอา 15 นาที 15 นาทีไม่ ก็ตอนเย็นเราก็ทําที่เป็นค่ะคือท่านให้ความสําคัญกับอ่า 24 ชั่วโมงอันนี้ดีมากแน่นอนนะ คุณมาทําเป็นรูปแบบตอนเช้าเย็นขอให้มีนะหรือว่าถ้าคุณทําค่ะก็คือถ้าในชีวิตประจําวันทั่วใช่ เอ่อแล้วก็การฝึกนี้มันมีหลายอย่างนะคือการนั่งสมาธินี่ก็คือการฝึกด้วยเฉยแค่นี้คุณคุณได้บุญละ เอ่อเพื่อนต่างๆในที่ทั้ง 6 และชื่อว่าคุณคุณธรรมละคุณพัฒนาจิตละอ่าคลี่เลยดี ถ้าเป็นคนที่ต้องทํางานอยู่กับกองเอกสารเยอะอืมแล้วก็บอกกับตัวเองว่านี่แน่นอน 1, 1>, 1> เอาเรื่องแค่ว่า ที่เห็นๆเลยคือการทํา 8 เรียบร้อยเลยเร 8 อยู่นี่คือคุณพัฒนาจิตละนะคุณพัฒนาจิตผ่านทางกิจกรรมปัจจุบันทางอยู่โดย ค่ะถูกต้องถูกต้องคือคืออย่างน้อยเค้าต่างๆค่ะอ่าคือคือไม่ได้ทราบว่าใช่ๆนะคะเพราะฉะนั้นก็เผื่อมีเวลาอาจจะ เพราะเลิกมองนาฬิกานี้คงต้องกราบลาท่านสําหรับ FM 106 ค่ะเราพบ เป็นประโยชน์สําหรับคนที่ไม่